สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือสรุปคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนในป่าอิสิปฒนมฤคทายวันซึ่งท่านพระัญญาโกทัญญะ ได้บรรลุมรคผลแล้วกล่าวขึ้นว่ายังกินกิสมุทะธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรร ม, มันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาผู้ปฏิบัติต้องเห็นชัดด้วยตัวเองในเรื่องนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งใจสิ่งหนึ่งย่อมดับไปมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในธรรมกลางแตกสลายไปในที่สุดเรีวยกว่าเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่คาดคะเนเอาแต่กิดไปรู้ชัดดูตัวตนของเราชัดขึ้น ว่ะตัวที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นตัวของเราก็จริงแต่ว่าในที่สุดก็ไม่เป็นของเราคือบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบอกว่าให้หยุดมันก็ไม่หยุดบอกว่าให้ยืนมันก็ไม่ยืนให้มีอายุเท่านี้ปีเท่านั้นปีมันก็ไม่เป็นไปตามมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมีขาเก็บขามีแขนเก็บแขนมีตัวเก็บตัวมีนั่นมีนี่เก็บหมด เป็นทุกข์หมดให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวของเราเนี่สำคัญที่สุดพิจารณาให้เป็นธรรมะก็ได้พิจารณาให้เป็นโลกก็ได้พิจารณาให้เป็นโลกก็คือความรักความไข้ความยินดีพอใจก็เกิดขึ้นจากรูกกายนี่แหละพิจารณาให้เป็นธรรมก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเราภาวนาเราก็อยากเห็นอย่างนี้แหละอยากเห็นว่ามันตั้งขึ้นมันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับสลายไปเห็นชัดด้วยใจของเราเห็นจริงเห็นประจักษ์เห็ุแก้งเห็นสว่างสวัยขึ้นมาในใจของเรา ไม่เข้าไปหลงหยึดหลงถืออีกเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนถ้าใครยังอยากมาเกิดอยู่ก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่เข้าใจธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมานี่ถ้าถึงที่แล้วมันไม่อยากมาเกิดในวัตฏะอันนี้หรอกมันลำบาก มันทุกข์มันยากมันมีอุปสรรคมากมายมีลูกทุกข์เพราะลูกมีหลานทุกข์เพราะหลานมีบ้านมีเรือนทุกข์เพราะบ้านเพราะเรือนไม่มีบ้านไม่มีเรือนก็ทุกข์อีกทุกข์เพราะไม่มีบ้านมีเรือนเนี่ยมาเกิดเปนว่าปัญเจอปัญหาต่างๆมีเงินมีมากก็ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหน กลัวเขาจะยึดจะนั่นเอามีน้อยก็ไม่พอใช้หาเช่ากินคําว่าวอีกลำบาท่านจึงให้พิจนาเห็นโทษของการเวียน่ห ย, ยตายเกิดในวัฏฏานี้กอเกิดมาแล้วเวียนตายเวียนเกิดอยู่นับภพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท่วนแล้ว เพราะไม่เห็นธรรมนั่นเองเพราะเราไม่เห็นธรรม เ, เราถึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษของการเรียนไหวาตายเกิดถ้าเราเห็นธรรมแล้วเราก็ปล่อยวางได้ไม่อยากมาเกิดอีกอันนี้ไม่ใช่ธรรมนานนะนี่เป็นเรื่องสูงนะสูงเท่านั้นก็คือตัวเรานี่แหละมันอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่แหละสูงอยู่ เป็นหลักทมคำสอนที่สูงอยู่ให้พิจารณาบ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรหวังอะไรต้องการอะไรจึงมาเกิดต้องการพ้นทุกข์กันทั้งนั้นแหละอย่างนี้จากกองทุก แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงพ่อไม่ได้พบนักปราบบัณฑิตไม่ได้ศึกษาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดิ้นรนไปตามสภาพดีบ้างชั่วบ้างไปตามเรื่องความุนในว่าตาสงสารอันนี่แหละเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายนี่นี่แหละนบพบรับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วน นี่ก็เพราะว่าเราไม่รู้ธรรมของคุณทีเจ้าถ้าเรารู้ธรรมคาสอนของผู้ทีเจ้าขึ้นมาในใจเราเรามีที่พึ่งอันทาวอนมีที่พึ่งอันแน่นอนเราไม่อยากมาเวียน่หยตายเกิดในวตาอันนี่หรอกอยากหาความสงบอยากหาความบริสุทธิ์เพิ่มเติมจนบริสุทธิ์แท้บริสุทธิ์จริง จนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ในโลกอันนี้รู้แจ้งชัดในตัวตนของเราเห็นชัดหมดว่ากายนี้ประกอบส่วนด้วยธาตุทั้งสี่ไม่นานก็แตกสลายไปท่านว่าอากิรังวัตยังกายโยวัททวิงอาทิเสสติสุทโทอเปตวิญญาโนดิละถังวักาลิงกะลัง คนเราถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วก็กิ้งโคโลอยู่ไม่มีอะไรอาจิรังวัตยังกายอยู่กายของเหล่านี้ไม่ยังยืนหนอปัทวิคติจิสติเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็นอนทับแผ่นดินเหมือนท่อนไม้เลยท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างคนตายในวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว วิญญาณคือความรู้สึกมันออกจากร่างนี้ไปแล้วพอเราตายปั๊บมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นทุกคนถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ตายมดุดวิญญาณก็ไปถือพบใหม่ภูมิใหม่ถ้าเราพ้นทุกข์เป็นพระราหารัน เราก็ไม่ไปสู่ภพไหนภูมิไหนอีกถ้าเป็นพระนาคามีก็ไปสู่พรมโลกสุทาวาสถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็ไปสวรรค์ไปพรมโลกได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่พรมโลกสุทาวาสเป็นพระโสดาบันก็ไปสวรรค์ได้ไปพรมโลกได้ แล้วแต่บุญกุศลแต่ว่าพวกนี้เวียนไหวาตายเกิดน้อยลงอย่างอนาคาเ ม, มีก็ไม่ลงมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกส่วนพระสกิทาคามีพระโสดาบันยังต้องมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกแต่ไม่ไปนรกทําไมถึงไม่ไปก็เพราะว่าได้บรรลุมรรคผลแล้วปิดอบายาภูมิแล้ว อวัยยะภูมิคือสัตว์นโลกเปรตอสุลกายสัตว์ดิ拉านเราไม่ไปสู่ภูมันต่ำนั้นเราไม่ไปถ้าเราได้โซดาบันแล้วเพรา ะ, ะนั้นการบัติธรรมก็เพื่อหนีโลกนั่นแหละหนีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละทุกปัณิคก็อดทุกปัไหนก็ทนคิดดูสิเจ็ดวันนั่ง กำหดลมหายใจอย่างเดียวโอ้โถมันไม่ใช่ธรรมดาก้นเนี่ยมันจะแตกไปเลยเายขาเหมือนกันเจ็บไปหมดมรู้ว่าเก็บตรงไหนปวดเล่าไปปวดเลยก็มานั่งตั้งนานนเะจ็ดวันนั่งดูลมหายใจป่า น, นี้แหละต่อสู้อดทนกว่าจะได้ ภาว น, นากว่าจะทำเป็นกว่าจะมีธรรมะขึ้นมาในใจให้คิดดูพระพุทธเจ้าของเราสิพระพุทธเจ้านะ่ะบำเพ็ญทุกขละกิริยาอยู่ต่อเวลาตั้งหกปีด้วนะกว่าวันจะได้แต่สรุก็นน่งเด็กสนะิบแปดนาฬิกาจนถึง รุ่งเช้าจึงได้รูบบรรลนะุก่อนอรุณขึ้นพออรุณขึ้นจิตของพกกระองค์ก็บริสุทธิ์ลองคิดดูสิพระองค์นั่งติดต่อกันนานขนาดไหนนั่งบำเพ็ญความเพียรก่อนได้ตัดสู้เคยเห็นไ้ยพระพุทธรูปหรือว่ารูปพระโพธิสัตว์ที่มีท้องโบนะ่ะอยู่ที่นี่มีท้องโบไหมไม่มี มีแต่ท้องตึงนั่นแหละไม่โบรหรอกแต่นั้นท้องโบเข้าไปจับหลังถูกท้องจับท้องถูกหลังือกดูกสันหลังโอ้ยทนทุกข์ทรมานมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเรามาปฏิวัตินี่ก็ทุกข์ทรมานเหมือนกันแต่ว่าไม่มากกว่านั้น โอก็ทำเหมือนกันที่ทรมานมากๆไม่ใช่ทางสัตรู้โพงก็หยุดหยุดก็สมารรร่างกายให้ดีสวยพระกยาหารที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นในวันดีคืนดีก็บันเพ็นเดือนวิสาขาเขานั่งใต้ต้นโพเริ่มนั่งแตองหัวค่ำ ก็ได้บรรลุเลยเราปฏิบัติก็เหมือนกันผู้รู้ย่อมรู้เฉพาะตนใจเราสบายไหมล่ะถ้าใจเราสบายนั่นถูกต้องแล้วเราได้แล้วเราภาวนาเป็นแล้วกลับไปก็จะไปหล่อหล่ออยู่ไม่ได้ต้องนั่งทุกวันนั่งอยู่ที่บ้านนะ่ะ ตัวขับมาก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องกราบไหว้สักการะพระุทธาไ ต, ต้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งบางทีก็เปิดเทปฟังเทปหมดเราก็หยุดทำทุกวันทุกวันอย่าขาดอย่าทิ้งให้ทำทุกวัน ให้ฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นชัดขึ้นในใจเรานะ่ะเราสบายแค่ไหนเราก็จะเห็นไม่ต้องถามผู้อื่นหรอกเราเห็นเห็นว่าใจเราสบายเห็นว่าใจเราเข้าสมาธิได้ง่ายจิตเรารวมจิตเราสบายจิตเราเป็นสุขจิตเราสงบนี่ก็เห็นชัดในตัวตนของเราเห็นลงของเรานี่แหละ ชัดเจนขึ้นให้ปฏิบัติอย่า ไ, ได้ขาดไม่ใช่มีเวลาว่างแล้วก็มาเรื่อยแต่ว่ามาทำอยู่เฉพาะที่นี่กลับไปบ้านแล้วไม่ทำก็ขาดเลยเวลามาที่นี่ให้กินอาหารจนท้องป่องพอกลับไปบ้านแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารอาหารทิพย์นี่เรามายอมกิน ก็พร้อมลงพร้อมลงอารมณ์ห ง, งุดหงิดก็เกิดขึ้นแบบนี้เพราะสมาธิไม่ดีด้หงุดหงิดคนนั้นหงุดหงิดคนนี้โอ้ยยุ่งเหยิงไปหมดแหละคนจะเห็นทำได้มันต้องเป็นคนตั้งใจอืมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าไม่เห็นชัดมันมันไม่เกิดหรอกสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันต้องเห็นชัดด้วยการปฏิบัติ จะไปท่องได้ว่าได้ไปหมดตอบปัญหาได้หมดแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในตัวเรามันก็จะได้ประโยชน์อะไรท่องหนังสือได้หมดอ่านได้หมดเข้าใจได้หมดแต่ว่าทำไม่เป็นหรือไม่ได้ทำมันก็ไม่เห็นชัดไม่เห็นถูกไม่เห็นทางพ้นถูก ถ้าเราทําให้มันเกิดมันมีขึ้นในตัวเราแม้เป็นพระสวราบันก็สมโชคดีของเราแล้วเรามีโชคแล้วชานี้พบนี้ที่ไปท่องไปว่ากันให้มันเต็มอัตตาต้องตามพระไตรปิฎกหมดอะไรเงั้นท่องได้อ่านได้เข้าใจได้แต่ว่าทําไม่เป็นมันก็มีประโยชน์น้อยนิดเดียว คือดำรงทำวินัยไว้หรือคำสอนของพุทธเจ้าไว้เท่านั้นเองแต่มันไม่เกิดในใจของเราเราต้องทําให้มันเกิดในใจของเราเราทําอะไรอยู่สติเห็นลมของเราก็ต้องมีอยู่เดินอยู่ทํางานอยู่หรือปฏิบัติธรรมอยู่เราก็เห็นลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆ บางทีเราไม่ได้กำหนดหรอกแต่มันเห็นขึ้นมาเลยนั่นเราได้แล้วที่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะมันได้แล้วมันภาวนาเป็นแนะเราก็เพียงแต่เรากำหนดใจนิดเดียวมันก็เห็นแล้วเห็นว่าความสงบเกิดขึ้นแ่ะเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันสงบเห็นพอกำหนดปับ๊บเห็นลมหายใจปับ๊บใจเย็นว่าปลุกไปเลย สบายเป็นสุขเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ได้มันต้องอย่าทิ้งให้ทำอยู่เรื่อยๆมันถึงจะเห็นทำเห็นอยู่เรื่อยมันก็ดีขึ้นเรื่อยกระทบอารมณ์น้อยใหญ่มันก็อยู่ได้มันไม่ไดิลนมันไม่กระสับกระส่ายมันไม่ทุกข์เราคอยดู เวลาเราอยู่เฉยๆนะ่ะไมไ่ทำอะไรนะ่ะใจเราจะเห็นลมวับทันทีเลยหรือบางทีทำงานอยู่ใจเราก็เห็นอีกเห็นความสงบวับขึ้นมาเลยใจเย็นใจสบายนั่น่าทำเป็นแล้วก็ต้องทำให้บ่อยๆเราทำหน้าที่การงานอยู่ เวลาว่ามันต้องมีเวลาไม่ทําอะไรก็จะมีอยู่เราลองกําหนดดูปับ๊บเราก็เห็นลมปั๊บทันทีจิตของเราก็วางวับลงไปเลยพอวางวับลงไปใจเราสบายเย็นในหัวใจจิตใจเบิกบานนั่นแหละอันนี้เรียกว่าทําถูกทําเป็นแต่ทําไม่ถูกทําไม่เป็นนี่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว มันก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างงี้มันก็ไม่รู้มันไม่เห็นมันไม่เห็นชัดพอไม่รู้เราต้องทําให้มันเกิดมันมีขึ้นในตัวเราฟังเทศก็ฟังไปเป็นการอรบรมสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจในวิธีปฏิบัติตอนนั้นแหละส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของเรา มันอยู่ที่ตัวเรามันสำคัญอยู่ที่เราถ้าไปครอบครัวแล้วทำไม่ได้โอ้เราฝึกหัดเหมือนนักมวยนีย่เขาต่อยกระสอบ้ายกระสอบแกบเตะต่อยอย่างนั้นอย่างนี้ฝึกทุกวันทุกวันตอนเช้ามาวิ่งวิ่งออกกำลัง เงื่อไหลใคร ย, ย้อ ย, น, อยนั่นแหละเวลาต่อสู้ก็ต่อสู้เวลาเขาโชคจริงๆก็สู้เด็ดเลยตายเป็นตายอย่างเป็นยางนั่นเขาก็ได้ชัยชนะเราก็เหมือนกันต้องซ้อมอยู่เรื่อยทําให้มันเป็นอยู่เรื่อยเวลากลับไปบ้านแล้วก็จะได้ต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นทำงานคนนี้ทำอย่างนี้นนน ย, นยุ่งยุ่งยุ่มากคารวะรับแคบแน่ว่าไปอีกขับแค บ, บมันยุ่งมันมีภาระเราก็ต้องมีสติคอยเห็นความรู้สึกของตนเองว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เราโกรธไหมเราโมโหมไหม เราพอใจไหมหรือเราไม่พอใจเราต้องรู้เราคอยกำกับใจของเราให้อยู่กับลมอย่าไปเอาเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจอย่าไปยุ่งเราอย่าไปว่าเขาอย่าไปทำมิตีเตียนเขาให้คอยเฝ้าดูใจของเรา ใจของเราสงบไหมใจของเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นไหมใจของเรามีอารมณ์เดียวไหมอันนี้เราต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดสังเกตตัวเราอยู่เรื่อยๆตัวเราก็คือลมหายใจเนะี่ยคอยดูรีอเรื่อ ย, เ ร, อยเราก็จะได้ สิ่งซึ่งเรียกว่าความสุขความมายึดมันมนนมดม่นถือมั่นนี่ว่าไปเมายึดมั่นถือมั่นมายึดอะไรไม่ทําอะไรมายึดมั่นเขาเอาดารอดมาลวกก็มายึดมันนนมามาดม่นนี่มันก็ไม่ใช่ละคําว่ามายึดมั่นถือมัน่นคือไม่สําคัญผิดว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆ ในปัญหาต่างๆก็ตามในเรื่องธรรมดาก็ตามเราปล่อยวางได้เราทําใจของเราให้สบายได้เรียกว่าไม่ยึดมัน่นถือมัน่นอะไรเกิดขึ้นก็เกิดแต่เราก็สามารถทําใจของเราให้เย็นได้สบายได้นั่นเรียกว่าไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นสกายยทิ่ทีความเห็นกายนี่ เนีสกายยะทิฏฐิคือเห็นกายว่าตัวเราของเราแต่ผู้ปฏิบัติแล้วไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานเห็นว่าเราอาศัยมันเฉยเฉยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราจริงๆเราอาศัยมันสร้างความดีอาศัยมันทำความชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอาศัยมันอาศัยกายนี่แหละอาศัยธาตุสี่ขันหนี่แหละ เราอาศัยมันทำความดีอาศัยมันทำความชั่วชั่วก็ไปสู่นรกดีก็ไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ร่ำรวยมีเงินมีทองไม่อดไม่ยากไม่ลำบากกายลำบักใจจิตใจก็เป็นสุขพอเป็นพระฤาษีบุคคลแล้วใจก็เป็นสุข ใจสบายใจเยือกเย็นนั่นให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างที่อธิบายมานี่คือกระทบอารมณ์แล้วเราอย่าไปยึดที่เขาเราต้องมาดูที่เราเราสามารถรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้ไหมถ้าเราสามารถรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้นานถูกแล้วทำใจได้ สบายได้ในเหตุการณ์ต่างๆนั่นถูกแล้วถ้าทำอย่างนั้นถูกทำให้มันได้ทำให้มันถูกอย่างนี้แหละกระทบอารมณ์อะไรก็ตามเราอย่าให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นเราดูเข้าไปที่ลมลมไม่มีราคะลมไม่มีโทสะ ล, ลมไม่มีโมหะ ตั้งสติเฝ้าดูลมพอเราเฝ้าดูเราก็จะเห็นใจของเราสงบเย็นลงไปเลยเรื่องทั้งหลายน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องวุน่นีวุ่วายมากกับดับโลกพร้อมกับจิตของเราจิตเราสงบลงไปปัญหาต่งตางๆก็ถอยออกถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ต้องยุ่งเหยิงเ่ยสิมันก็ต้องมีปัญหามากเลย พอจะจบเรื่องมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแบบนี้เรื่องใหญ่แล้วพยายามปฏิบัติให้มันได้อย่าให้เสียเวลาเฉยๆให้มันเห็นอธิเหานทำมันจะเห็นจะเห็นความสบายเกิดขึ้นภายในใจของเราถึงแม้จะไม่รู้นั่นเห็นนี่อย่างมากมายมีหูทิฟตาทิฟรู้วาลนะจิตของคนหรือได้พิญญาหกได้ ปฏิสัมพิทาสี่อะไรพวกนี้เราไม่ได้หมดทุกอย่างก็ตามขอให้เรารู้ว่าใจเราสงบหรือไม่สงบเท่านี้ก็ยังดีอยู่ชื่อว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเรามีบุญวาสนาปรมีที่สั่งสมมามากในอดีตเราบรรลุสูงขึ้นเราก็จะเห็นชัดด้วยตัวของเราเองว่าเอออันนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างี้ รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้จิตของคนรู้อะไรต่ออะไรหูทิพตาทิพอะไรพวกนี้เหล่านี่แตกฉานในอจในธรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ได้สั่งสมมานานหรือทำถูกต้องดีงามฌานมันสูงบุญมันสูง มรคนมันสูงขึ้นมันก็ยอมรู้ยอมเห็นนะมันไปเลือกธรรมดาอยู่แล้วถึงไม่รู้ไม่เห็นก็ให้เห็นลมหายใจของเราก็ยังดีเนี่ยว่ามันอย่างนี้แหละไม่เห็นไ ม, นไมน่มีหูทิพตาทิพไม่รู้อะลรจิตคนไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆก็ตามขออย่างเดียวขอให้เรารู้ใจของเรา ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะได้หูทิบตาทิบหรือรูอ้อะไร ต, ต่างๆนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็อย่าไปเชื่อโอ้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เราจะพึ่งไปเชื่อพอมันยังไม่ละเอียดอยพึ่งไปเชื่อเสียงมากระซิบข้างหูอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเราก็ทำไปเดแล้วก็เป็นบ้าเลย โดสะพานสิโรสะพานสิเนี่ยเราก็ไปโรสะพานตายเลยเราอย่าไปเชื่อพอมันยังไม่บริสุทธ์แท้พอมันยังไม่ละเอียดขอให้รู้ใจของเราว่าเห็นลมหายใจเข้าออกเท่าเนี้ประเสริฐแล้วเราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใจ ตายไปแล้วเราก็สบายใจอีกถ้ากิเลสมันยังมีเหลืออยู่ก็มาเกิดเป็นคนก็ไม่เกิดเก็ดชาติเนี่ยสกายัิทีเห็นว่าตัวตนเป็นของเราจริงๆมีผ้า อ, อหนึ่งจะมาชวนไปต่างประเทศจอค่าให้หรอก ขห้ไปโอ้ยไปว่าไรไปว่าไร ไ, ไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะผมไม่ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินน่ะผมกลัวสกายเยทิถิคือเห็นว่าตัวตนจะไม่ตายคิดว่าตัวเราเนี่จะไม่ตายขึ้นเครื่องบินก็กลัวกลัวอะไรกลัวตายไม่ขึ้นไม่ยอม แต่มากอที่ฐานใจว่าถ้าอาจารย์องนี้ท่านจะมีคุณธรรมหรือมีมากมีผลเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านมาแต่ถ้าไม่มีมากไม่มีผลไม่มาก็ไม่เป็นไรปรากฏว่าโทรไปที่ไรก็บอกว่าโอ้ตรงนี้ปวดขาปวดแขนปวดหมอนัดอย่างนั้นองนี้ไปเรื่อยเลย คนจะไม่ได้เป็นอย่างั้นกลัวนั่นกลัวนี่กลัวตายเนี่ยไม่เคยพิจารณาความตายสักทีว่าเราจะต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายหมดเหลือไว้ไม่มีแต่ว่าช้าหรือเร็วอันนี้สำคัญช้าหรือเร็ว ตายช้าหรือตายเร็วอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตายตายแน่ตายแน่ทุกคนอันนี้ไม่ใช่สาบแช่งนะพูดความจริงตายทุกคนแม้แต่ผู้เทศอยู่ดีกว่าเหมือนกันวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่แน่นอนไม่รู้วันไหนอยากใหอยู่เท่านั้นเท่านี้ว่าไปตามภาษาโลก แต่ความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็รู้ไม่ได้เราเกิดมาแต่ละคนไม่ใช่เกิดมาเพื่อตายเล่นๆ เ, เกิดมาเพื่อความดีเกิดมาเพื่อมรักผลนิพพานเกิดมาเพื่อจะได้สร้างสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้บรรลุเป็นพระราหันเลยยิ่งดีใหญ่ ประเสริฐแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นท่นเนี่ให้ทำให้ปฏิบตัติอย่าคิดว่าเราจะมีอายุอยู่เป็นหมื่นปีแสนปีมันไม่มีหรอกมันมีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าโอ้โหก่อนเน่ยศาสนาพระพุทธเจ้าของเราในมีอายุร้อยปีทะนั้นเด่งดูแต่เมืองราชจะคือเป็นยังไงแต่ก่อนคนหนาแ น, น่นเต็มไปหมดมีบ้านเรือนของคนเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้มันมีอะไรล่ะมันเป็นป่าล่างเฉยๆมีแต่พระคันธ ก, กุดีของพระเจ้ายอดภูเขาคิจเจกูดเท่านั้นเองพอง์ก็เคยประทับนอนประทับนั่งอยู่ในภูเขาคิจเจกูดนะภูเขาหัวนกแรงดูสิประชาชนลื่นเลง ม, มันเทิงใจบนเขาคิจเจกูด อยู่ข้างล่างก็มีแต่ประชาชนเต็มไปหมดเราไปทุกวันนี้มันมีไหมอย่างนั้นน่ะมันมีไหมมันไม่มีมันมีแต่ป่าไม้ต้นหูลิงน่ะเต็มไปหมดเลยภูเขาก็ไม่มีคนอยู่แล้วนี่มีแต่คนที่มาหามคนขึ้นไปดูพระกระ ก, กูดีท่านั้นเอง ท่า น, นแหละมันไม่มีบ้านมีเรือนแล้วมันเลิกล้างไปหมดโน่นมันไปอยู่เมืองปัตตนาโน่นคนเหล่านี้ก็ตายมดไม่เหลือบ้านเรือนก็ผูพังไปตามการเวลาก็เป็นป่าเป็นโดงไปเลยแต่ไม่ใช่โดงใหญ่มันเป็นป่าหูลิงนี่เราไปเห็นแล้วเราจะสลดใจว่าโอ้แต่ก่อนคน มาอยู่ที่นี่มากมายเป็นเมืองที่มีมหาอำนาจมีกษัตริย์ผู้มีบุญปกครองแต่ว่าบัด น, นี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรมันมีเตป่าเราไปดูก็ไปดูรอยเก่าความเป็นอยู่เก่าๆจึงเห็นชัดได้ว่าเห็นยิงแก้งพระจัก์ว่า คนเราเกิดมาตายมดทุกคนคนไม่ตายไม่มีเราจะรีรออยู่ไม่ได้เราจะโอ้ยเราแก่ขึ้นเถอะแก่ก่นคอยมาปฏิบัติธรรมตอนนี้มันยังหนุ่มยังสาวอยู่ทำอะไรทำธุระหน้าที่ก่อนบางคนก็คิดว่าโอ้ยเรายังไม่ควรไปหรอกตอนนี้นะ่ะธุระของเรามันยังเยอะอยู่ เสร็จธุระแล้วเขาจะไปตายก่อนไม่มีโอกาสได้ไปหรอกคิดว่าเราจะไม่ตายดิ่นลนนขนควายอันนั้นมันดีแล้วการทํรมาหากินเน่ยมันทำทำได้ดีเท่าไหร่ยิ่งดีอันนั้นแต่ว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะตายอยู่เราต้องรีบทำความดีให้ได้เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ เราต้องสั่งสมเนืองเนืองอาจารย์มหาภัยบุญก็บว่าต้องปฏิบัติและสั่งสมเนืองเนืองสั่งสมเนืองเนือสั่งส ม, มบ่อยๆสั่งสมอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยมันก็ดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นผมนก็เห็นอาจเห็นธรรมอ่ะเนี่ยไม่เห็นอะไรหรอกเห็นอาจเห็นธรรม เหมือนพันจับว่าขีทั้งห้าแต่ก่อนก็ว่าขนาดปฏิบัติทุกขลักกิริยายัางไม่บรรลุตอนนี้กินข้าวกินปลาอาหารแล้วจะบรรลุได้ยังไงเราอะต้อนรับนะาอาจาทำอะไรจะไปรับบาทรับกีวรมาถึงแล้วก็แล้วไปอยากนั่งก็นั่งไม่อยากนั่งก็เฉย แต่ปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้ามาใกล้ๆแล้วต่างคนต่างก็ลืมสัญญาเก่าทุกคนสัญญาที่ให้เก่กันไว้เริ่มคนหนึ่งกรับบาทคนหนึ่งกรับกีวรคนหนึ่งกรับนันรับนี่ล้างเทา้าล้างพ่อบาทให้จัดที่นั่งที่อะไรให้อย่างดีบ้านนพอพระพุทธเจ้าจะเทศให้ฟังก็โอ้ไม่ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่า เราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นพวกท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมเราเคยพูดไว้ก่อนไหมแต่ก่อนเราเคยพูดไห ม, อ, ไห ม, อ, ไหมอันนี้สง์ความที่ไม่เคยโกหกเห็นชัดเลยนี้โอ้จริงไม่เคยพูดเลยแต่ก่อนแต่คราวนี้พูดก็คงจะเป็นจริงตั้งใจฟังธรรมพลที่สุด สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้นปรากฏชัดแก่กจิตของพระอัญญากุลธัญญาเลยสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดานั่นดวงตาเห็นธรรมแล้วอัญยาสีวัตโภคุณธันโยโธติเจ้าตัดขึ้นเลยอนยาสีวัตโภคุณธัญโยกุลธัญญารู้แล้ยวละหนอ่อกุลธัญญะรู้แล้วหนอก็เลยเป็นชื่อของพระอัญญากาุลธัญญานั้น ชื่อเดิมท่านว่าโกนัญญาเลยได้ชื่อเพิ่มขึ้นอีกว่าอัญญากูนธัญญาเป็นสาวองค์แรกของพระพุทธเจ้าองน์นี้นั่นเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าเทศนะดเวเมพิขเวอันตาอภัชิเตนนาเสวิตตาบาโยจายังกามาสุขาริการโยโคทุกโขอนาิโยนัสสานโตพระพุทธเจ้าแต่ทางสองอย่าง เดเวมีพิกเวีทางสองอย่างไม่ควรเข้าไปคล้องแวะการมาสุขันริการโยกประพฤตย่อหย่อนอัตกิลมาฐานโยกประพฤตอย่างเค้ง่งเครียดเต่งคัดหรือว่าทรมานอย่างเต็มที่จนมีตนังห้มกระดูกอันนั้นก็อย่าไปทำให้ดำเนินมัธิมาปฏิปทาคือมรคบีโอเปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังปะความดาดิชอบ สัมมาวาจาเกีรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนั่นเท่านี้แหละพันจาวาคีทั้งห้าก็ได้บรรลุมรรคผลตามตามผลไปจนได้เป็นพระลานหมดทุกองคน์นี่นเวมีพิคเวียนตา ทางสองอย่างอย่าเขาไปใกล้เขาไปยุ่งไม่เป็นทางพ้นทุกแต่มัชทิมาปฏิปทาคืออริยมรรยองแปดนี่คือทางพ้นทุกให้ปฏิบัติตามนี้ให้ทําตามนี้ให้เอาอันนี้เป็นเรื่องเป็นเครื่องอยู่เอสัมสมาทิฏฐิเห็นว่าโอ้เรามีเกิดแก่เก็บตายเรามีความทุกข์กายเรามีความทุกข์ใจ ให้เห็นชัดในตัวของเราสมาชิกักดิสิทดำมรีชอบดำมรีออกกกามดำหรีไม่พยาบาทดำมรีไม่เบียดเบียนนั่นมีเป็นปัญญาให้เห็นชัดลงไปกเราจาชอบเป็นยังไงพูดชอบพูดถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกต้องตามสนองของธรรมไม่โกหกหลอกลวงนั่นเรื่อยไปจนถึง สัมมาสมาธิให้เอาธรรมะเหล่านี้เข้ามาปกครองใจของเราให้เราทำตามนี้ตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนี่เช่นสมาธิอย่างหนึ่งสัมมาสมาธิอย่างนี้เราก็มีสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตฌานนั่นให้ได้สมาธิขึ้นมาถ้าเราได้สมาธิไปพิจารมันมก็เห็นชัด ถ้าไม่มีสมาธิไปพิรนามันก็ไม่เห็นชัดพิราย่ังไงมันก็ไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นอัตภาพตัวตนว่าเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ท่านสอนไว้แต่ก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะสมาธิของเราไม่ดีพอเราต้องฝึกเรามีสติคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราฝึกไเรื่อยๆทำอยู่เรื่อย ยืนอยู่ทําก็ได้นั่งอยู่ทําก็ได้นอนอยู่ทําก็ได้เราทำอยู่เรื่อยเื่เราก็จะเห็นชัดในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกอย่างทั้งเป็นรูปธรรมนามธรรมาก็จะเห็นชัดหมดนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้ น, น, นเบื้องต้นตั้งอยู่ในธรรมกลางดับสลายไปในที่สุดให้รู้เท่ารู้ทันอย่างนี้ก็ให้พิจารณาดูให้ดี สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไหมสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาไหมเราเห็นชัดไหมเรื่องนี้ถ้าเราเห็นตัวตนของเราเป็นอย่างนั้นเห็นว่าถูภายนอกเขาเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราเห็นอริยสัจธรรมเราเห็นธรรมเห็นทุกข์คือเห็นธรรม เห็นคําสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่ท่องเอานะมันเกิด ข, ขึ้นมาในใจจริงเห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นหมดแหละพระปัจจวัคคีทั้งหเห็นหมดจึงได้อุทานออกมาว่าพระพุทธเจ้าจึงอุทานออกมาว่าอัญญาสิวัตโภคูณทันโยโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอนั่น รู้ตามแล้วเห็นตามแล้วเราโชคดีทุกคนที่มาปฏิบัติผู้ที่ไม่มาปฏิบัติก็หาโอกาสมาให้ได้อย่าไปรีล้อคอยวันคอยเวลาอยู่เพราะความตายมันไม่กำหนดวันให้เราเหรอกมันจะไปวันไหนมันก็ไม่บอกเราคอยอย่างเดียวคอให้เราได้โอกาสมา หาโอกาสให้ได้ให้มาปฏิบัติให้ได้ให้มีความดีขึ้นมาในใจของเราให้ได้นี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอันแหละ